เรื่องหญิงต้องการเป็นที่รักของสามีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปธรรมว่าพระคุณเจ้าทำอย่างไรดิฉันจึงจะเป็นที่รักของสามีน้องหญิงถ้าถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศพระคุณเจ้าอะไรเชื่อว่าทานอันเลิศเมถุนธรรมท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศตหรือนอ